ตรงนี้หัวใจเธออยู่ตรงไหนบนทางเดินนี้ตอนนี้ดูไกลออกไปสายลมคอยเปลิวผ่านเส้นทางเก่ารอดขันเก่ากับทนนที่มันยังคงทอดยาวถูวิ่งเขาไปจะทางที่ตามกอลองขึ้นไปบนนั้น 慢动作。 แคเธอยิ้มเก้าเดินได้อีกสักหงบนทางยานนี้มีฉันยันคอยอีกคนขอเธอจงมั่นใจสันทางเก่าเพื่องเก่าๆ ก, กับถ น, นนที่มันยังคงทอดยา หัวใจอีกครัง้งเว่งขึ้นไปบนน้ำแม่บ้านอาจดูแหแต่ต้องมีสุขวัลที่หัวใจเธอน้ำพบคนที่ถูกใจอาเพราะสมือฉันโปดยืนหนึ่งฉันจะจับเธอไว้ยิงย่งนั้นคอยเธอจงเือนใจไปต้องกลัวจนลมเปล่งขึ้นไปเธอนะจฉันะ แต่ต้องมีสักวันที่หัวใจเธอนา้นพบคนที่ถูกใจอ l อโปรดทรงมือฉัโปรดอ่ามือฉัจะจับเธอไว้ยิ่งนั้นใครเธอจงมั่นธอไม่ต้องกลัวจะล้เป็น